บทที่30ก่อนบรรยายเรื่องโอวาทปาติโมกสมภารวัดป่ามะม่วงถามหนุ่มน้อยว่าหนูลองบอกหลวงพ่อมาสิว่าสังเวชนียสถานสีมีอะไรบ้างหนุ่มน้อยพอใจกับคำว่าหนูที่ท่านเรียกเพราะทำให้เกิดความรู้สึกว่า เขาเป็นลูกหลานของท่านจึงตอบตามที่เคยเรียนมาว่ามีสถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานครับเก่งมากท่านชมแล้วจึงอธิบายขยายความว่าสังเวชนิยสถานแปลตามศัพท์ว่าสถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช คือสถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทจะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศ ล, ลกรรมและสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพื่อเพิ่มภูนปสาทะกระทําสักการะบูชาอันจะนำเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม่ ท่านพลักครูพูดเหมือนในพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์เลยหลวงพ่อวัดดอนเมืองเยาผมก็ต้องพูดตามพจนานุกรมสิครับหลวงพ่อเพราะเป็นภาควิชาการแล้วนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็มีแต่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตองค์เดียวเท่านั้นผมนับถือความเป็นอัจฉริยะของท่าน ที่สำคัญก็คือท่านอธิบายตรงตามพระไตรปิฎกไม่มีบกพร่องผิดเพี้ยนเลยแต่ก็น่าเสียดายที่คนไทยพุดส่วนใหญ่กลับไม่รู้จักท่านไปรู้จักพระไห้หวยทำเสน่ปลุกเสกลงเลขยันอะไรทำนองเนี้ยคนไทยคลิสซิอีกยังรู้จักท่านโดยเฉพาะพวกบาทหลวงเพราะเป็นคนที่ บาทหลวงจะต้องเรียนพระพุทธศาสนาหลวงพ่อวัดดอนเมืองให้ข้อมูลทำไมต้องเรียนด้วยล่ะครับพระขุนทดซึ่งแม้จะเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่รู้จักท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองตอบว่าเพราะผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสวัดในคาทอลิกจะต้องสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งเป็นหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีวิชาพระวินยัยวิชาพระสูตรวิชาพระอภิธรรมวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทั่วไปวิชาพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา วิชาพุทธจริยาวิชาสมถวิปัสสนากรรมฐานดังนี้เป็นต้นเขาจะเรียนไปทำไมครับพระคุณทดถามอีกท่านเองก็ยังไม่เคยได้เรียนและไม่เคยได้ยินได้รู้เรื่องอย่างนี้มาก่อนเขาว่าเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่าศาสนาคริสต์ในประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาสรุปว่า คนที่ใบใดนับถือพุทธรู้พุทธส่วนคนนับถือพุทธกลับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่รู้จากพระไตรปิฎกขณะที่คลิศเขาเรียนกันทั้งสามปิดกโดยแยกเป็นวิชาวิชาต่อไปคนพุทธที่ต้องการรู้จากพระพุทธศาสนาจะต้องไปถามบาทหลวงเพราะถามหลวงพ่อหลวงตา ท่านก็ไม่สามารถตอบได้น่าเป็นห่วงนะเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพูดอย่างรู้สึกเป็นห่วงจริงๆท่านพระครูช่วยเสริมว่าผมว่ารัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต้องจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามนเณรอย่างน้อยก็ตั้งให้รู้ พระพุทธศาสนาพอที่จะสอนญาติโยมได้โดยเฉพาะอุปชาจะต้องสอนพระนว ก, กะเดี๋ยวนี้บวชการจิมจิมจำจำเหมือนบวชกล่วยบวชฟักทองคือบวชแล้วไม่เดียวเรียนไม่ได้ศึกษาศึกออกไปก็ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยผมนี่ตั้งแต่เป็นอุปชามาผมสอนพระนะครับหลวงพอ่อ ปผมก็ลงโบททุกวันสอนพระวินัยให้พระไม่ว่าจะบวชเกา่าหรือว่าบวชใหม่จะต้องเรียนพระวินยัยบางวัดเขาก็ไม่ลงโบทกันแล้วจริงอย่างที่ท่านพระครูพูดมานั่นแหละผมเองก็รู้ก่อเห็นทุกอย่างไหนไหนพูดก็ขอระบายความอึดอัดขัดข้องในใจหน่อยเถอะท่านพระครูรู้ไหมครับว่า เดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรกันบ้างอย่างพระผู้ใหญ่ตามวัดใหญ่ๆนะ่ะท่านทำอะไรครับทำธุระเพื่อหาเงินมาโฆษณาตัวเองจะได้เป็นเจ้าคุณท่านห่วงสมณศัก์ยิ่งกว่าห่วงพระศาสนาพระแบบนี้มีมากส่วนพระดีมีน้อยจนเกือบจะศูนย์หมดแล้วหลวงพ่อบรรยายต่อดีกว่า ขอให้ถือซิว่าชั่วช่างชี้ดีช่างสงแม่ชีป่วนขัดขึ้นเพราะอยากฟังเรื่องสังเวชนิยสถานต่อเราเป็นพระผู้น้อยไม่มีอำนาจที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ต้องคิดอย่างที่แม่ชีพูดนันล่ะครับหลวงพ่อท่านพระครูพูดปรงปรงนั่นซิ เพราะจุดประสงค์ของการบวชมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนคนมาบวชเพื่อหวังนิพพานสมัยนี้บวชเพื่อหวังสมภารพระรสุขคนรีบสนับสนุนจริงครับหลวงพ่อตอนผมบวชใหม่ๆผมก็หวังนิพพานแต่พอบวชนา น, น, าน นิพานผมไม่เอาแล้วขอเป็นสมภารก็พอนี่ไงหลักฐานยืนยันในสิ่งที่ผมพูดหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดยิ้มยิ้มนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเถอะครับพระเจริญนิมนต์พระครูเจริญหลวงพ่อภาษาทะแปลว่าอะไรจ้ะท่านพระครูกำลังจะบรรยายต่อแม่ชีปวนก็ถามขึ้น แปลว่าความเลื่อมใสเรามักจะใช้ภาษาทะขู่กับศรัท ธ, ธาเป็นศรัท ธ, ธาภาษาทะแปลว่าความเชื่อและความเลื่อมใสฉันเข้าใจแล้วล่ะจ้ะเพราะเราเชื่อเราจึงเลื่อมใสเอแต่บางทีเราเลื่อมใสก่อนแล้วค่อยเชื่ออย่างฉันเนี่ยรู้สึกเลื่อมใสหลวงพ่อก่อนแล้วก็เลยเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อสอน แบบนี้ผิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ผิดหรอกจ๊ะจะเชื่อก่อนหรือว่าเลื่อมสาก่อนก็ไม่ผิดตํารวจไม่จับท่านพักครูยยาเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่กําลังตึงเครียดนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเธอครับคนพูดคือหนุ่มน้อยเขาอยากฟังเรื่องสังเวชนิยสถานมากกว่าเรื่องพระสมภารวัดป่ามะม่วงจึงบรรยายต่อ สังเวชนียสถานสีก็ได้แก่หนึ่งชาตสสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติคืออุทยานลุมพินีปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล 2. อภิสัมมาพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณคือควงโพที่ตำบลพุทธคยาส ธรรมมจากกับวัตตนสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธรมมาจากกับวัตตนสูตรคือที่ป่าอิสิปตนมฤุขทายวันแขวงเมืองพาราณาสีปัจจุบันก็คือสารนาศ 4. ปรินิพุตสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจะปรินิพานคือที่สาลวโนทยานที่เมืองกุสินารา นอกจากสังเวชนียสถานสีแห่งที่เด็กล่าวมาแล้วก็ยังมีสถานที่อีกสองแห่งที่เป็นพุทธสถานแต่ไม่ได้จัดเข้าในสังเวชนียสถานคือพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีและพระเวลวันมหาวิหารนคร ร, ชครัชคลีที่พวกเราหนั่งชุมนุมกันอยู่ที่นี้ พระเวรุวันสำคัญอย่างไรเจ้าหลวงพ่อแม่ชีปวนถามสำคัญตรงที่เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระธรรมอยู่ณนะที่เวรุวันและบริเวณใกล้เคียงเช่นที่เขาคิจกูดที่พวกเราได้ขึ้นไปนมัสการพระคันธกุดีและถัดจากพระคันธกุดีลงมาก็คือ ทำสุกรักขาตาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดทิฆานัขาอาคิเวสนะโคตซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรแม่ชีบอกอาตมาได้ไหมว่าทำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ทิฆานักขะหนะชื่ออะไรจำไม่ได้จ้ะแม่ชีตอบทันทีนางสาวสายหญ่รักจึงตอบแทนว่า ชื่อเวทนาปริคข า, าสูตรข่าหลวงพ่อเก่งมากท่านชมแล้วก็บรรยายต่อเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงทีฆนักขะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติพนเป็นพระโสดาบันส่วนพระสารีบุตรผู้เป็นลุงซึ่งทำหน้าที่ถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริศดางคือข้างหลัง ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าพระสารีบุตรได้บรรลุธรรมสูงสุดในวันนี้ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะคือเดือนสามที่เราเรียกกันว่าวันมาคะบูชาพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเขาคิชกูตมายังพระเวรุวันก่อประจวบ ก, กับเหตุการณ์ว่าพระสาวกรุ่นแร ก, แรก เฉพาะที่เกิดบริเวณไกลๆนครราชครืนั้นคือพระสงฆ์สาวกที่เคยเป็นชาตินมาก่อนพันองค์และบริเวณของพระสารีบุตรกับพระโมกขลานะอีก250องค์รวม 1,250 องท่านเหล่านี้ได้มาประชุมพร้อมที่บริเวณพระเวรวัรมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายกัน จึงเกิดการเรียกว่าจจตุรงคสันนิบาตคือการประชุมมีองศีประการท่านเจริญช่วยตอบพ้มหน่อยว่าองศีประการมีอะไรบ้างท่านถามพระเจริญพระมกุเตศตอบอย่างคล่องแคล่วเพราะจำมาได้จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสั์หน้าที่42ของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธโตว่า หนึ่งวันนั้นดวงจันทร์เสวยมาคะเลิกสองยังไม่ทันที่ท่านจะได้พูดต่อแม่ชีปวนก็ขัดขึ้นว่ามาคะเลิกแปลว่าอะไรจ้าท่านพระเจริรู้สึกเสียอารมณ์พระถูกขัดจังหวะจึงว่าแม่ชีปวนแม่ชีปวนอย่าทําให้ปันปวนอาตมากําลังอธิบายมาขัดจังหวะอย่างนี้ อาตมาเลยพูดไม่ออกลืมหมดเลยสมแล้วที่ถูกสมยาว่าแม่ชีปันปวนท่านมีสิทธ์อะไรมาว่าฉันเป็นพระเป็นเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรแม่ชีพร้อมที่จะมีเรื่องผู้นำทัวจึงปรา์มว่า แม่ชีใจเย็นๆค่ะพระท่านล้อเล่นอย่าถือสาท่านเลยแม่ชีตั้งหน้าจะเถียงแต่เมื่อนึกได้ว่าจะทำให้ผู้นำทัวร์โกรธถึงกับไม่อนุญาตให้ร่วมทางไปสแสวงบุญจึงต้องยั้งปากไว้มิให้ถอยคำที่ไม่น่าฟังพรั่งพรูออกมาอาตมาล้อเล่นนะ่ะพระมกุเทศขอโทษเกลกลาย แล้วจึงบรรยายต่อตั้งต้นข้อหนึ่งใหม่นะคือวันนั้นดวงจันเสวยมาฆะเลิกมาฆ่าเลิกคือเพนเดือนสามท่านตอบคำถามแม่ชีไปในตัวสองพระสงฆ์พัน0องค์อมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายสามพระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็นพระอระหันต์ผู้ใดอภิญญาหกและข้อสุดท้ายพระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเอหิพิกขุนิมนต์หลวงพ่อบัญยายต่อครับท่านรีบมอบหมายภาระการบัญยายให้ท่านพระครูที่มีชื่อเดียวกับท่านสมภารวัดป่ามะม่วงจึงบัญยายต่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสอันสมควร จึงทรงแสดงธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าอะไรครับหนุ่มน้อยถามโอวาทปาติโมกแปลว่าโอวาทหรือคําสั่งสอนที่เป็นหลักเป็นประธานอย่างที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสําคัญให้ยึดถือปฏิบัติกันแต่ที่ชุมชนนั้น เป็นที่ประชุมของพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ที่ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสำหรับตนเองคือเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนเองโดยสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่มีภาระจะต้องทำเพื่อตนเองอีกต่อไปภาระที่จะทำจึงมีแต่การบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นคือการเผยแผ่พระธรรมเพราะฉะนั้น การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมก ค, คือหลักคําสอนสาคัญในพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็เพื่อมุ่งให้ท่านยึดเป็นหลักในการนำไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว่างขวางออกไปจึงถือว่าโอวาทปาติโมกเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาสาหรับนาไปใช้ ในการเผยแผ่หลักธรรมเป็นหัวใจของพุทธศาสนาสำหรับนำไปใช้ในการเผยแผ่ให้ประชาชนเข้าใจและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้ามองในแง่นักเผยแผ่ก็ถือว่าโอวาทปาติโมกนี้เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยท่านสังเกตว่าแม่ชีปวนเริ่มตาปลือ เรื่องที่บรรยายก็คงจะหนักเกินไปสำหรับแม่ชีจึงพูดให้กําลังใจว่าแม่ชีอย่าเพิ่งหลับเราชาวพุทธจะต้องรู้พระพุทธศาสนาคนที่ไม่ได้เป็นพุทธยังมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วทำไมเราเป็นพุทธถึงไม่เรียนรู้ต่อไปแม่ชีอาจจะไปเป็นอาจารย์สอนแม่ชีรุ่นหลังๆก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้เขาไว้ให้มากที่สุดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับแม่ชีหากก็ทำให้ชาวพุทธที่กำลังจะตาปลือเหมือนแม่ชีเกิดกำลังใจที่จะฟังต่อเพราะเกิดปัญญาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่บรรพบรุษรักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงตนเห็นทุกรูป ทุกคนตั้งใจฟังอีกครั้งท่านพระครูจึงบรรยายต่อลำดับต่อไปอาตมาก็จะได้กล่าวถึงตัวคำสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรวันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายมาเล่าเรียนคำสอนหรือว่าเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสถานที่ที่เกิดคำสอน หรือเหตุการณ์นั้นจริงๆเช่นโอกาสนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆทุกท่านที่นั่งอยู่นาทีนี้จะต้องมีบุญวาสนามาก่อนมีฉะนั้นจะมาไม่ได้เหมือนอย่างที่เพื่อนของหนูมาไม่ได้เพราะคุณตาไปมีลูกเล็กๆกับนักกรองท่านพูดกับนางสาวสายยายรักเมื่อต้องการยกตัวอย่างประกอบ ลุงพ่อคะหนูโชคดีกว่าเพื่อนของหนูจึงได้มาและหนูก็ตั้งใจว่าจะกอบโกยความรู้ทั้งหมดไปฝากเพื่อนคนนี้ผมก็จะกอบโกยความรู้กลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่แต่คงจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะก่อนหน้านี้ผมหลับมากกว่าตื่นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันกลับผมจะไม่พลาดเลยครับหนุ่มน้อยพูดเขามีปากกา และสมุดมาจดบันทึกด้วยบรุษที่แอบรักเขาข้างเดียวจึงถือโอกาสถามบ้างว่าผมจะทำเหมือนกับที่คุณสายยายรักทำครับดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาแล้วท่านจึงบรรยายต่อในโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าตรัสเป็นข้อความเพียงสั้นๆเราจึงเรียกกันว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หรือหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าหัวใจนั้นปกติใช้กับสิ่งที่เป็นแกน่นเป็นสาระสำคัญจริงๆคือเป็นหัวข้อความสั้นๆทั้งหมดมีสามคาถาครึ่งจะกล่าวให้ฟังเป็นสามตอนว่าเป็นภาษาบาลีก่อนแล้วก็แปลเป็นไทยทีหลังดังนี้ ตอนที่หนึ่งมีคาถาคือขันติปรมังตับโปติติกขานิพพานังปรมังวัทันติพุท ธ, ธานะหิปปะจิโตปรูปคะติสมโนโหติปรัปปโโปรงวิเหทยันโตขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพาชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะตอนที่สองมีหนึ่งคาถาเช่นกันคือสัพปะ ป, ปัสาาาสะอาักกาัังกุศลสสะสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปานังเอตังพุทธานะสาสนังการหมาทำความชั่วทั้งปวงหนึ่ง การบาเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนที่สามีคาถาครึ่งคืออนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมโคเคจะสังวะโรมันตัญยุตตาจะพัตสมิงปันตัญจสยานาสนัง อธิจิตเตจอายโคเอตังพุทธานะสาสนังแปลว่าการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทําร้ายหนึ่งความสํารวมในปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสว่า นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าโอวาทปาติโมกนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตจะต้องแสดงในที่ประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่มาทุกพระองค์เลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ใกล้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันมีพระวิปัสสีเป็นต้นในยุค ข, ของพระวิปัสสีก็มีการประชุมระสาวกครั้งใหญ่ ที่เรียกว่ามหาสันนิบาตอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกมีเนื้อความเช่นเดียวกันแม้พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆมาคือพระสิกขีพระเวสสโพพระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสปะก็แสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมด้วยเช่นกันนุมน้อยถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ บันพชิตกับสมณะเหมือนกันหรือเปล่าครับที่พระพุทธองค์ตรัสในคาถาที่หนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้ผมจำได้เฉพาะภาษาไทยคือผู้ร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะท่านพระครูตอบเหมือนกันคือหมายถึงนักบวชเวลาคนมองาศาสนา เขาก็จะมองที่นักบวชก่อนมองนักบวชแล้วก็มองไปที่วัดวัดที่ไม่มีนักบวชก็ไม่มีความหมายนักบวชหรือพระเป็นหลักสำคัญทางาศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาโยงเข้ามาในตอนนี้ว่าบุคคลที่เรียกนักบวชมีลักษณะอย่างไรซึ่งก็คือผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รัศจากการทําร้ายผู้อื่นเป็นผู้สงบระงับสมณะแปลว่าผู้สงบจากกิเลสหรือสงบจากการเบียดเบียนบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นจากบาปเว้นจากการเบียดเบียนเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของบรรพชิตหรือลักษณะนักบวชซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าพระตามความหมายในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อช่วยสรุปได้ไหมจ๊ะฉันชอบฟังแบบสรุปสรุปฟังรายละเอียดแล้วมันงงจ้ะแม่ชีปวนขอเป็นการขอที่ผู้ฟังคนอื่นๆเห็นด้วยนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยสรุปด้วยครับผมถนัดเรื่องรายละเอียดเรื่องสรุปไม่ถนัดตกลงผมถนัดเรื่องสรุปมากกว่าเรื่องรายละเอียด โอวาทปาติโมกทั้งสมตอนที่ท่านพระครูกล่าวมานั้นตอนที่หนึ่งแสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาให้เห็นต่างจากลักษณะความเชื่อในศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลตอนที่สองแสดงหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาโดยยอ่อส่วนที่สซึ่งมีคาถาครึง่งแสดงปฏิปทา คือข้อปฏิบัติของนักเผยแผ่หรือผู้ที่ทําหน้าที่นําเอาพระพุทธศาสนาที่กล่าวแล้วในตอนหนึ่งและตอนสองนั้นไปสั่งสอนผู้อื่นต่อเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นควรจะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาคือไมอ่กล่าวร้ายผู้มุ่งแสดงธรรมคาสอนแต่หลักความจริง ไม่พูดกล่าวร้ายติเตียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายศาสนาอื่นซึ่งพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญเป็นแบบอย่างในพระพุทธปฏิปทาหรือสรุปอีกแบบหนึ่งก็ได้อุดมการณ์หลักการและวิธีการก็ได้กล่าวคือตอนที่หนึ่งเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาตอนที่สองเป็นหลักการ ส่วนตอนที่สามเป็นวิธีของหลวงพ่อดอนเมืองสรุป